ต้องส่งันบ้านต้อมอะไรนะดังนี้การ้องของบ้านลด่ตัวเรารูู้้ยามอบ้านมนจะออกาที่ดีแล้วตอนนี้สบายขึ้นแล้วแต่กอดเป็นของพลอมนะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งต่อให้ อยู่ๆก็ไปดูความว่างเมื่อวันก่อนสองน้ำมันนะ่ะมีโยกคนหนึ่งมานั่งเสียงใหญ่บนะอกผมปฏิบัติดีนะผมดูมาหาสุญญาตา <c oughs> บอกเก็กว่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้รู้รูปนามให้รู้กายรู้ใจนี่จะไปรู้มาหาสุญญาตาก็ไปคิดเอาเองเสร็จแล้วจะไปหลงเพ่งช่องว่างเนะข้าไปอยู่อากาศาอุ้ดื้ออะนะดื้อ ม, มากปล่อยไปเลย สอนไม่ไหวเขาคิดเอาไงโยมทางนี้เป็นไงรู้เท่าที่รู้ได้นะ รู้ตลอดไม่ได้เราต้องเลือบ้า ง, งคือหลักปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรมากนะเราต้องรู้จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติก่อนจุดหมายแรกหรือเป้าหมายแรกที่เราจะต้องไปถึงคือต้องเป็นพระโสดาบันอย่าหวังตับกว่านั้นนะ เราเป็นชาวพุทธไหนๆเจอพระพุทธเจ้าแล้วนะอย่างน้อยต้องเอาพระโสดาเขาไม่น่าเกลียดนะแต่มันไปไม่ค่อยถึงเนาะเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ถ้าเอาพระโสดาบันเอาเป้าหมายแรกได้ก่อนพระโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือสามารถละสั ก, กยัตทิฏฐิได้ละความเห็นผิดว่าขันห้ารูปนามหรือกายกใจเนี่ยคือตัวเราเนี่ละความเห็นผิดตัวนี้นะ ขันห้ารูปนามกายใจเนี่ยจริงๆไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่ไหนละอะไๆละเราเห็นผิดว่าเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราท่านไม่ได้ละความเป็นตัวเรานะตัวเราไม่มีแต่ละความเห็นผิดนี่ทําไงถึงจะละความเห็นผิดได้วิธีละความเห็นผิดมีอย่างเดียวต้องเห็นถูกนี่ทําไงจะเห็นถูกเราต้องรู้อยู่ที่กายของเราบ่อยๆรู้อยู่ที่ใจของเราบ่อยๆ รู้ไปจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา sector, จะละความเห็นผิดได้เพราะงะั้นไม่ใช่เรื่องนึกนึกเอานึกเอาเรานึกเอาเองก็ได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ใครอย่ามาแตะนะเอาตายเลยเพนะหน้าที่ของเราเนี่ยคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจตัวเองเข้าใจยังว่าทาไมต้องรู้กายรู้ใจอ้าวก็รู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเห็นความเป็นจริงตรงนี้ก็ได้พระโสดาบันนะไม่หลงผิดอีกแล้วไม่ตกต่ำอีกแล้วนะยังไงก็ต้องนิพพานสักวันหนึ่งที่เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่คิดเอาไม่ให้รู้อย่างทาธธรรมธรรมะ ā, นะอะไรนะธรร ม, าญญมวิจยะสาธวโชมธรรมะวิจยะนี่คือตัวปัญญาตัวสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ไม่ใช่ ปัญญาเนี่ยมีหลายระดับนะมีจินตามายะปัญญาปัญญาจากการคิดเอานะสุตตะมยะปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังนะธรรมวิจยะเนี่ยนะเป็นภาวนามยะปัญญาเพราะงั้นมันจะตามหลังสติมารู้สึกไหมมีสติก่อนอ่าเพราะงั้นคุณต้องเรียนสติให้ได้ก่อนถ้าคุณรู้จักสติแล้วคุณจะรู้ว่าธรรมวิจยะไม่ใช่เรื่องคิดเอาถ้าคิดเอามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ภาวนามมยะปัญญามันแค่จินตามยะปัญญาคาวิจยนก็คือคำหนึ่นาางคำเขาไม่ใช่ธรรมาวิจัะเนี่ยตรงๆ ต, ต, ตัวเลยก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองนะตัวสติก็คือสัมมาสตินะตัววิริยะนะตัววิริยะเนี่ยก็คือสัมมาว า, ามะ แค่รู้สึกออารู้สึกเอารู้สึกไหมว่าไอ้ตัวนี้มันกระดุกกระดิกอยู่นะคนทั่วๆไปจะไม่รู้สึกว่าไอ้นี่เป็นอะไรก้อนหนึ่งเป็นรูปอันหนึง่งคนรู้สึกว่านี่เป็นตัวเรานั้นเรานั่งเรายืนเราเดินเรานอ น, น, อนจะรู้สึกเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้เราจะเห็นเลยไอ้ตัวเนี้มันนั่งมันไม่ใช่เรานั่งหรอกมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเนีจิตของคุณจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราได้นะจิตต้องตั้งมั่นเพราะงั้นการที่จะรู้กายเนี่ยนะ ว่จิตต้องมีสมาธิรองรับก่อนฝึกหรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึง่งนะคือ ไ, ไม่แน่เสมอไปนะการปฏิบัติมันมีสองสายสายหนึ่งใช้สมาธินํนาปัญญาสายหนึ่งใช้ปัญญานําสมาธิมีสองแนวนะสมาธิจะเกิดขึ้นเองเ <ด asses S 1> อ่า ไม่เกิดปัญญาอ่าวิปนะัสสนาจะทำให้เกิดปัญญานะสมถะทำให้สงบคนระอันกันสงบ ก, ก็คล้ายๆอย่างเราพักผ่อนอย่างเรานอนพักเนีย่ยเรานอนพักผ่อนตัวไม่ใช่ทุกขณะสิยทำเท่าที่ทำได้นะ ทำเท่าที่ทาได้ทุกขณะไม่ได้เพราะสติไม่ได้เกิดตลอดเวลาสติก็เกิดแล้วดับเหมือนกันเหมือนกับสภาวะธรรมอื่นใจยเย็นนะของคุณเรียนเช็คที่เราถ้าเวลาเจอเวทนาผมว่าเป็นโรคมะเร็มวิธีการที่จะวางเวทนาใ น, ในเรื่องมะเร็งอ่ะเชินนิมนต์นิมนต์ครัเวลาก คือต้องดูลงไปเวทนากกายนี่ก็คนละอันกันเวทนากับจิตนี่ก็คนละอันกันนะส่วนไอ้ที่นั่งคิดปรับใจตัวเองร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงยังไงก็ต้องตายอะไรอันนี้คิดเอานะไม่ใช่วิปัสสนาไอาคิดเอาแต่ถ้าคุณอยากทำให้เป็นวิปัสสนานะทำใจให้สบายไว้ก่อนนะอย่าอย่าตกองตกใจนะเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยคอยสังเกตไปเวทนา ก, กายนี่คนละอันกัน นะเวทนากับจิตก็โคล่ากันนะนี่ก่อนที่เราจะไปแยกความเจ็บปวดที่มากมากได้เราก็ต้องหัดตั้งแต่เจ็บปวดน้อยๆก่อนนะอย่างเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยคุณสังเกตไหมมันจะมีความเมื่อยนะสังเกตให้ดีความเมื่อยกับขาเนี่ยโคล่านกันขานะ่ะเป็นวัตถุขาไม่เคยเมื่อยหรอกเป็นธาตุเหมือนก้อนดินความเมื่อยเป็นสิ่งที่แอบเข้ามาอยู่ในขาคุณดูตรงนี้ออกมาเนะีนะ่ยนะคุณสังเกตไป นะความเมื่อยกับขาโครานกันขายังอยู่นิ่งๆไม่ได้กระดุกกระดิกเลยแต่ความเมื่อยเนี่ยไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานะนี่ดูไปเรียกว่าแยกกายกับเวทนาออกจากกันก่อนนะต่อมาสังเกตต่อไปอีกพอมันเมื่อยมากๆใจเราชักกระสับกระสายนะกระสับกระสากับความเมื่อยก็โครานกันนะค่อยๆหัดสังเกตไปแล้วสังเกตต่อไปเรื่อยๆอยคนที่ไปรู้กายนะมันก็ไม่เคยเมื่อย คือตัวจิตของเราที่ไปรู้กายนะเวทนาก็ไม่ใช่จิตกายก็ไม่ใช่จิตโคล้านกันนะพยายามค่อยๆกระจายขันห้าวออกจากกันซะนะกายก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาก็ส่วนหนึ่งนะจิตใจของเราก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกกระสับกระส่ายหรือสบายใจไม่สบายใจอะไรทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายนี่อีกส่วนหนึ่งอีกขันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยค่อยๆหัดกระจายขันห้าวออกไป อย่างกระทั่งการรู้กา ย, ยานุปัสสนาไม่ใช่รู้กายด้วยการนั่งเพ่งกายนะยังนั้นเข้าใจผิดแล้ววิปัสสนาจะเริ่มต้นได้เนี่ยโสรถยานยังไม่ขึ้นวิปัสสนาในสัซ้ยานที่หนึ่งเรียกว่านามรูปปริเฉเธยานแยกรูปแยกนามก่อนงั้นอย่างเรารู้กายโส่กา ย, ยานุปัสสนาเนี่ยไม่ใช่นั่งเพ่งกายพวกเราจะชอบเพ่งกายเช่นหายใจเข้าหายใจออกเพ่งลมหายใจนี่ไม่ใช่วิปัสสนาละ หรือดูทุ้งท้องของยุบนั่งเพ่งท้องนี่ไม่ใช่วิปัสนาแต่ถ้าคุณค่อยดูไปไอ้ตัวนี้มันนั่งอยู่เห็นไหมใจเราเป็นคนไปรู้ว่ามันนั่งเราเห็นรูปนั่งเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทํำวิปัสนาได้เห็นกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนี่คนไหนสติปัญญาแก่กล้ามากขึ้นอีกเห็นกายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งความฟุ้งซ่านของจิต เวลาไปรู้เวทนาครับจิ์ฟุ rive, <us cheap> ้ง <iosis> ซ okay. ่านความฟุ้งซ่านก็เป็นสภาวธรรมอีกันเป็นอีกขันหนึงเดี๋ยค่อยๆหัดแยกขันไปเนีกระทั่งเราหัดจิตตาอนุปัสสนาก็ต้องแยกรูปนามนะอย่างเห็นไหมว่าตาเรามองเห็นี่ตาเราเป็นรูปตาเราไปเห็นภาพอะไรเข้าเนี่ยจิตใจเราหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยใจที่เป็นคนรู้ความหวั่นไหวยินดียินร้ายก็อีกอันนึงเนี่ยค่อยๆหัดแยกไป เราะงั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ว่าจะทําในบับพระใดนะในปัฏฐานใดเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นของการวิปัสสนาแล้วก็มันจะต้องแยกรูปแยกนามเสมออย่างเรานั่งดูความรู้สึกที่ผุดสังเกตไหมความรู้สึกจะผุดขึ้นตรงนี้จันปูดูออกเพียงตรงที่จุดที่มันผุดนั่นแหละเรียกว่ารูปอย่างหนึ่งเรียกว่าหาทยารูปนะสังเกตไหมมันไม่ใช่วัตมันเป็นวัตถุมันไม่ใช่จิตของเราตรงที่มันผุดขึ้นมานะเป็นรูปอันหนึ่ง ใจที่เป็นคนไปรู้เข้านี่อีกอันหนึ่งเพราะงั้นไม่ว่าเราจะทําสติปัฏฐานหมวดใดบับใดเนี่ยนะเราจะรู้ทั้งรูปทั้งนามเสร็จแล้วเราก็จะเห็นรูปตามความเป็นจริงคือรูปนี้เป็นทุกข์นะรูปนี้บังคับไม่ได้เห็นนามมาทําตามความเป็นจริงไม่เที่ยงนะบังคับไม่ได้ น, นามมาทําจะเห็นความไม่เที่ยงง่ายนะรูปนี้ดูให้ไม่เที่ยงยากมันมันเปลี่ยนแปลงช้าแต่รูปนี้ดูให้ทุกข์ง่าย ถ้าเฝ้ารู้สึกไปเดี๋ยวก็เห็นทุกข์ล้วเพราะงั้นเวลาความเจ็บปวดเกิดขึ้นมาคุณสังเกตดูความเจ็บปวดกับคาไกเนี่โคล้านกันใจที่ไปรู้ความเจ็บปวดก็ต่างหากอยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกับความเจ็บปวดเป็นคนไปรู้ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเท่านั้นนะหัดดูไปเงี้ยในที่สุดจะเห็นว่าไม่มีตัวเราเลยร่างกายมันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรา เวทนาเป็นนามนธรรมที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราอีกเป็นของแ ป, ปรปลอมเข้ามาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวกลับมาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้จิตใจของเราแหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ให่ค่อยรู้ไปอย่างนี้ในสุดจะเห็นเลยขันห้าแต่ละขันแต่ละขันเพากระจายออกไปแล้วเห็นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์การบังคับไม่ได้ไม่มีตัวเราในขันห้าเนี่ยสักยะทิฏฐิจะขาดได้เป็นพระโสดาบัน นียะตมาไม่ได้สอนเกิดพระโสดาบันนะเพราะยังไม่เห็นใครได้พระโสดาบันนะไม่เป็นโอเนี่ยความอัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าคนศาสนาอื่นเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่เห็นไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่ของเราจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราตลอดเนี่ยสักยะทิฏฐิ เ, เหนียวแน่น แตแล้วถ้าเราคอยรู้จิตแจงของเรานะอย่างที่อาจามาพาให้ดูเมื่อเช้าอะ่ะจําได้ไหมขณะที่นั่งฟังเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าอาจมาหน่อยนึงเดี๋ยวฟังอาจรมาพูดแล้วก็ไปคิดสังเกตไหมเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดสลับไปเรื่อยๆรู้สึกไหมว่าบังคับไม่ได้หรอกจิตมันจะฟังก็ฟังใช่ไหมฟังแล้วมันไปคิดสั่งมันไม่ได้นะเลือกอยังไม่ได้เลยเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปอย่างเนี้ยถึงวันหนึ่งจะเห็นเลยจิตไม่ใช่ตัวเราหรอก จิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งที่มีหน้าที่ไปรู้อารมณ์เขาเปนะ็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ทั็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมคุณนะ่ะหนีไปคิดอีกแล้วรู้เปล่าไม่ต้องคิดอะไรไม่สําคัญให้รู้ทันว่าคิดรู้ไหมว่าคิดอยู่ไม่รู้หรอกอยังไม่ยอมเลิกคิดเนี่ยเห็นไหมอยากพูดรู้ไหมอย่าเพิ่งพูดอย่เพิ่งพูดเห็นแรงดันในหน้าอกไหมแรงดันตัวนี้เรียกว่าตันหา เราสงสัยรู้ว่าสงสัยสิทธนะิคืออย่างนี้สมมาจะบอกเคล็ดลับของการเรียนธรรมะให้ธรรมะเนี่ยสมมาบอกแล้วนะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกเพราะฉะนั้นโยมมานั่งถามอาตมาไม่มีวันเข้าใจธรรมะเลยนะถ้าเราเข้าใจได้ด้วยการฟังเราฟังครูบาอาจารย์เทศนะ์นับรรลุไปหมดแล้วนี่เราเข้าใจไม่ได้นี่เราอยากเข้าใจธรรมะนะเราดูของจริงอย่างเมื่อกี้วความอยากพูดมันเกิดนะรู้ว่าอยากพูดมันสงสัยใช่ไหมมันสงสัยก่อน เราก็ไม่ค่อยอยากพูดถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยเราจะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ดับไปความอยากพูดคุณรู้สึกไหมตอนนี้ไม่ได้อยากพูดแล้วรู้สึกไหมความอยากหายไปแล้วเนี่ยความอยากพูดก็ไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเนี่ยหัดดูอย่างนี้ทุกๆสิ่งที่ผุดขึ้นมาเนี่ยรุนแรงเกิดแล้วดับเนี่ยหัดดูของจริงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติจริงๆงั้นจะนั่งถามอาตา ม, อามานะี่กี่วันก็ไม่รู้เรื่องเลยบางคนจะบอกอาตามาโหดไม่ยอมให้ถามไม่ใช่นะ เนี่ยหวังดีจริงๆเลยอยากให้เรียนรัดรัดเอามานั่งถามอีกปีปีก็ไม่รู้เรื่องหัดดูของจริงหัดดูสภาวะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจของจริงเนี่ยเนี่ยหนีไปหนีไปแล้วทราบไหมเมื่อกี้ทําอะไรอ่ะอเห็นไหมคิดยุดอยู่ยืยยือกึอ่ยกันเมื่อกี้หนีไปคิดรู้ไหมหนีไปคิดเนี่ยหลงคิดนะเรียกว่าหลงละนะ เห็นไมอยาก you know <LIKE. S 2> พูดรู้สึกไหมอยากพูดรู้ไปที่อยากอย่าเพิ่งพูดพูดไม่มีประโยชน์ดูไว้ดูอยากพูดมีประโยชน์ดูซิอยากพูดเที่ยงหรือไม่เที่ยงหายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะความรู้สึกอื่นๆเกิดขึ้นคุณก็ตูอย่างนี้นะดูอย่างเนี้ยดูแบบเดียวกันเนี้ยมันหายไปเองนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาทันทีสติตัวจริงเกิดนะอกุศลจะดับทันทีเลย เนี่ยคุณต้องดูของจริงอย่างนี้นะคุณจะมานั่งถามไม่มีวันรู้เรื่องใช่ใช่เห็นไหมเนี่ยชักรู้เรื่องแล้วรู้สึกไหมใจโลง่งๆใจสบายรู้สึกไหมอยากพูดอีกแล้วรู้ไหมยุดก่อน <c oughs> อยา่าต้องพูดเวลาอยากอะ่ะ <c oughs> ดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันหายไปแล้วไม่มีให้ดู <c oughs> ะนะเพราะงั้นเวลาที่กิเลสเกิดเนะ่ะรีบดูไว้ก่อนเมื่อกี้เป็นโลภนะ อย่าประมาทนะเมื่อกี้คือกิเลสนะอยากพูด่ะแม้เราละเลยเรารู้สึกไม่ได้เป็นกิเลสเราอยากรู้ธรรมะเนี่ยสมชิงกิเลสนะอา้าวคุณผู้ชายที่นั่งข้างหลังอะ่ะที่ขยับปากไปมารู้จักใจลอยไหม <c oughs> <c oughs> คุณแหละคุณแหละหันไปไหน <c oughs> <c oughs> นอะเมื่อกี้เนี่ยใจลอยไปนะใจลอยให้คอยหันรู้สึกตัวไปหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมคุณที่ใส่แว่นเนี่ย อยากพูดอีกแล้วเห็นแรงดันไห ม, ม, มออ ค, คือมันบังคับคาใจเพราะมันจไม่ได้ของเราแล้วมันไปเกิดใหม่แล้วไปเป็นของใครไม่มีเจ้าของสงสัยเนี่ยนะความสงสัยเนี่ยไม่มีวันหายเลยอจนกระทั่งวันที่ได้พระโสดาบันถึงจะหายเพราะงั้นรีบมารู้ของจริงให้เป็นพระโสดาบันแล้วจะได้เลิกสงสัยบอกแล้วนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังนะฟังอัตมาพูดก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก เรีนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการคิดอยากพูดละวรู้ไหมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนให้หาอยากก่อนแล้วไปพูด <c oughs> นะคุณทําอะไรอีกแล้วรู้ไหมคุณที่ใส่แป่นเนี้เมื่อกี้เนี่ยไปทําอะไร <c oughs> ไม่เอานี่นถูกหลอกอีกแล้วถูกหลอกให้รวบรวมนะจิตหลงไปทํางานแล้วหลงไปรวบรวมสติเห็นไหมถูกหลอกแล้วเนี่ยความปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้ว เมื่อกี้ถามถึงนิพพานนะอยากรู้นิพพานไหมนิพพานนะมีหลายชื่อนิพพานชื่อหนึ่งชื่อว่าวิราคะไม่อยากยังอยากอยู่ไม่มีทางเจอนิพพานนิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งยังพยายามรวบรวมสติอยู่ยังปรุงแต่งอยู่ยังทำงานอยู่ไม่มีวันเจอนิพพานหรอกไม่ว่าจะรวมเก่งแค่ไหนก็ไม่เจอแต่ถ้าเมื่อไรความอยากเกิดขึ้นรู้ทัน ความปรุงแต่งทางใจจะดับทันทีนะเรี้ใกล้กับนิพพาน่ะอ่ะพูดได้อย่างครูบาอาจารย์เคยบอกว่าเชื่อหมอดูหมอเดาวไปใรารมก็หมอเจ้าของเป็นบาปแล้วเมื่อสอวก่นเนี่นะก็เป็นดูรักเดี๋ยวะเขาบอกว่าต้องไปตรวจลับดแต่โยมเนี่ยคัดแย้งในใจเพราะใจเห็นเชื่อครูบาอาจารย์ใจหนึ่งว่าเฮ้ยไปตรวจก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เสียอะไรแม่เรื่องอย่างนี้ขี้เกียจตอบ นะอย่าตับแต่เรื่องการรู้กายรู้ใจนะเราเวลาน้อยนะเรื่องพระราหูอะไรนะี่เอาไว้ก่อนนะนะเรื่อราหูแกจะไปทำอะไรใครแกหลอกกินของดำดำไปไงั้นหนึ่งรนะาหูเนี่ยนะกระทั่งเป็นดาวยังไม่มีจริงเลยนะเป็นดาวที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นนะเป็นจุดตัดของอะไรนะยังไม่ได้ละมันจะอยู่ตรงข้ามกับดาวเกตตลอดเลย มันเป็นวิชาที่หมอดูเขาสร้างขึ้นมานะให้มันเป็นโน้ตฮาวที่ได้หากินได้นะมันจะเป็สนใจมันนะทาไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆรู้กายรู้ใจของเรานี้หละเราพ้านทุกข์จริงๆนะเพราะความทุกข์ในโลกนี้มีสองอย่างไม่ทุกกายก็ทุกใจนะรู้จักใจลอยไหมเออใจลอยนะภาษาพระก็คือขาดสตนะิเนี่ยรู้จักใจลอยไหมคุณเนี้ย เ, ออเมื่อกี้เนี่ยแบบเนี่ยนะเราเผลอละเราลืมตัวเราเองเมื่อกี้นี้ลืมตัวเองรู้ไหมลืมกายลืมใจนะอย่างนั้นคอยรู้สึกเรื่อยๆเอาจาักรู้สึกไว้ปูไม่บังคับปูตั้มว่าไงตั้มเออใช่ มจับอะไรไม่ได้เลยง่ากลัวฮวงโคเคยบอกไว้อไปอ่านนะบอกคนทั้งหลายเนี่ยนะมันกลัวความว่างธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ยึดรูปก็ต้องยึดนามนะไม่ก็ยึดบัญญัติไปเลยเพราะฉะนั้นธรรมดาต้องยึดอะไรสักอย่างดังนั้นการที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วปล่อยไปหมดเนี่ยจะกลัวท่านบอกว่ากลัวจะร่วงหล่นไปสู่เหวของมหาสุญญตา มันจะกลัวกลัวก็ดูมไปดีแล้วนะซ้ำไปรู้สึกเรื่อยเรี่ยอุเบกขาสมพงนี่คือชัดคนละเรื่องเลยโยมอุเบกขาสามพุชงเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่าตัดระมัดชัดตา ความเป็นกลางเพราะมีปัญญาความเป็นกลางต่อสังขารเพราะว่ามีปัญญาไม่ใช่ชาดสีนะเพราะฉะนั้นตัวพุทโธชงเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาสติสมาธิปัญญาตลอดสายนะไม่ใช่เรื่องของชาดขั้นแรกเลยคุณมีสติสติปัฏฐานนั่นเองคอยรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นการที่เราคอยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนี่แหละเรียกว่าธรรมวิจยะ มันจะทําให้เราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเมื on, ่อเรามีม kind of ีสติข <okay. S 1> mm ึ hmm. on, видите, ้นมาเรารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเนี่ยจิตใจจะเกิดความสุขขึ้นมาอัตโนมัติเลยทันทีที่เกิดสติจิตจะเป็นกุศลทันทีที่เป็นกุศลจิตจะมีความสุขเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยมันจะมีความสุขเพราะว่ามันมีสติมันได้รู้กายรู้ใจเมื่อมันมีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจมันจะขยันรู้กายรู้ใจวิริยะมันจะเกิดขึ้น ขยันดนะูสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่วิริยะเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะเพราะวิริยะเนี่ยนะหรือสัมมาวายามะานี่มีลักษณะสี่อย่างอันที่หนึ่งเนี่ยมันละนะเป็นความเพียรที่ละอกุศลที่มีอยู่แล้วนะปิดกั้นอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นทำกุศลให้เกิดขึ้นทำกุศลที่เกิดแล้วให้งอกงามไปถามว่าทำไมสีอย่างนี้ถึงเกิดได้เกิดได้เพราะมีสติอันเดียวนั่นเอง ทันทีอย่างสุว่าเราใจลอยเรามีสติรู้ว่าใจลอยไปปับ๊บความใจลอยจะดับทันทีอกูศลดับทันทีอกูศลใหม่ยังเกิดไม่ได้เพราะเรามีสติอยู่กูศนได้เจริญขึ้นมาแล้วเพราะตัวสตินั่นแหละตัวกูสนนะตัวใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยสัมมาสมาธินี่ก็ตัวกูสนนะปัญญามันก็จะเกิดมันเห็นกายเห็นใจเห็นความเผลอเมื่อกี้นี้เกิดมาแล้วดับไปนี่ตัวปัญญากูศนละเจริญขึ้นในฉับรันที่มีสตินะ นี่เรียกว่าสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเกิดจากการมีสติรู้กายรู้ใจการมีสติรู้กายรู้ใจเรียกมีสติการที่เรารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นได้จริงเรียกว่าธรรมวิจยะขณะที่รู้กายรู้ใจนี่มันมีความสุขขึ้นมามันจะขยันรู้วิริยะจะเกิดขึ้นเองเมื่อวิริยะจะเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันจะอิ่มเอิบขึ้นมา มันจะรู้ไปรู้ไปรู้ไปแล้วจะมีความสุขไปเรื่อยจิตใจจะอิ่มเบิบมีปีติสำโพธิชงขึ้นมาสติระรู้รู้ปิตินะปิตินี้ก็เป็นของแ ป, ปรปลอมเกิดขึ้นมาช่วครั้งช่วคราวสติเราลึกรู้ได้อีกนะปีติจะสงบระงับลงจิตจะเข้าสู่ปัจจัติคือสงบระงับไม่เบื่อหวาแล้วพอไม่เบื่อหวาเนี่ยจิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิต ท, ที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว นะหรือตั้งมั่นในการรู้รูปนามกายใจของเราเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธินะหรือว่าสมาธิสัมโพชฌงนั่ น, นไม่ไม่มาที่อันนี้ไม่ใช่สมาธิในฌานไม่ใช่แต่ในฌานก็ทําได้เพราะมันมีสองสายนะในฌานก็ได้แต่ว่าฌานนั้นต้องประกอบด้วยการพอออกจากฌานต้องมาเจริญปัญญาลกลับเข้าพักแล้วออกมาเจริญนะพลเรื่องกันนี่พอจิตใจเรามีความตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ ของพวกเราลองสังเกตดูเราจะลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันเลยเวลาเราดูเราก็ลืมตัวเองรู้สึกไหมเราเห็นแต่คนอื่นเราลืมตัวเองเวลาเราฟังเราได้ยินเรื่องที่เขาพูดแต่เราลืมตัวเอ ง, องขนาดนี้คุณลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมเยเรียกว่าใจเราไม่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีสัมมาสมาธินั่นเองนี่เมื่อมีสัมมาสมาธิเนี่ยท่านสอนต่อไปอีกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นเลย ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาล้วนไปผ่านไปทั้งสิ้นความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลผ่านมาแล้วก็ไปอกุศลผ่านมาแล้วก็ไปเนี่ยปัญญามันเห็นซ้ำๆในที่สุจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางก็ ม, มีปัญญานะรู้เลยสุขก็อยู่ชั่วคราวทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนั้นจิตเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์จิตเป็นกลางต่อกุศลและอกุศลจิตเป็นกลางต่อความหยาบและความละเอียดบางคนจะเอาแต่อยากเอาแต่ละเอียดเกลียดหยาบอะไรเงี้ใช้ไม่ได้ จิตเป็นกลางต่อธรรมะภายในและภายนอกเป็นกลางจริงๆนะเพราะว่าเห็นมีปัญญาเห็นทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะเพราะงั้นตัวอุเบกขาตามโพชงเนี่เกิดจากตัวปัญญานะไม่ใช่เกิดจากการเที่งให้นิ่งๆแล้วเป็นอุเบกขาเวทนาไม่ใช่นะหรือไม่ใช่จิตที่นิ่งทื่อๆอยู่อ้นั้นเกิดจากการบังคับไม่ใช่เกิดจากปัญญาพอเข้าใจไหมสนใจโพชง <c oughs> เขาเห็อกว่าจะได้จะมีพัฒนาให้มากทำให้นนพุทธชงบริบูรณ์เออเนี่ยนะที่อาจารย์มาบอกนี่แหละนะมันทําให้พุทชมบริบูรณ์ขึ้นมารูปสังเกตให้เดี๋ยวจุดสุดท้ายของความบริบูรณ์ก็คือความเป็นกลางนะความเป็นกลางเพราะมีปัญญาเป็นกลางกับสังขารเห็นความสุขก็งั้นงนแหละความทุกข์ก็งั้นๆแหละกูศนะนเกิดขึ้นก็งั้นง้นแหละกูโศนก็งั้นงั้นแหล ะ, หละของเราจะรักสุขเกลียดทุกข์ รักกูศลเกลียดอกูศลอะไรเงี้ยไม่งั้นเงี้นแหละนี้ถ้าเมื่อไรใจเป็นกลางใจจะหมดการดิ้นรนใจที่หมดการดิ้นรนหมดความหิวโหยเรียกว่าวิราคะนะหมดการดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารงั้นประตูของการบรรลุมรรคผลนิพพานนะอยู่ตรงที่จิตเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนี่เป็นกลางเพราะปัญญานะไม่กลางเพราะบังคับเงั้นคุณมีหน้าที่อันเดียวทําสติปัฏฐานเนือง มีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นศัตรูของการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสองอย่างนะมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งเผลอไปลืมตัวเองอย่างที่สองนั่งเพ่งกายนั่งเพ่งใจนะนึกออกไหมเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราเริ่มบังคับเขานี่และศัตรูร้ายตัวที่สองงั้นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยเริ่มต้นท่านไม่สอนเลยว่าทายังไงถูก ท่านบอกว่าอย่าทำสองอย่างนะสองอย่างนี้ผิดนะอย่างที่หนึ่งการสุขาริการนโยค ก, การเคลื่ยวแสวงหาอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินน่าพอใจถามว่าอารมณ์มีอะไรบ้างก็รูปเสียงกลิ่นรสรสพลาสมาอารมณ์นั่นเองนะอยากดูอะไรสวยๆวิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากได้กลิ่นอยากได้รสนะวิ่งไปดมกลิ่นไปลิ้มรสแล้วลืมตัวเองนะนั่งคิดไปอดีตนั่งคิดไปอนาคตลืมตัวเองอีกละ่ะ นี่ศัตรูใหม่เลขหนึ่งเลยคือการหลงไปเราจะลืมตัวเองเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เลยผิดอันที่สองอันนี้ผิดรองลงมาหน่อยคือนั่งเพ่งไว้นั่งบังคับไว้นั่งกําหนดไว้นั่งประคองไว้นะพวกเรารุ่นหลังๆชอบไปแปลสติว่าการกําหนดรู้ในพระใปิฎกไม่ได้แปลสติว่ากําหนดเลยนะพระใจจะปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้ความระลึกได้ว่ารูปธรรมอะไรเกิดขึ้นนามธรรมอะไรเกิดขึ้น ความระลึกได้ตอนเนี้ยระลึกได้ไหมว่าหนีพิคิดแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวอยู่ตรงเนี้ยดูออกไหมรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้แวบเดียวสั้นนิดเดียวแต่นี้หนีพิคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยมันจะเกิดทีลักษณะทีลักษณะ น, นะนี่เรียกว่าคณิกะสมาธิตัวเนี้สําคัญเราชอบเอาแต่อั ป, ปนาลงไปแช่อยากพูดแล้วทราบไหมเนี่ยคุณหัดดูเนี่ยความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้คุณพอจําได้ยัง ตะมาถึงบอกไปอยู่มานั่งถามตะมานะไม่รู้เรื่องหรอกต้องหัดรู้สภาวะตอนนี้เผลอไปอีกแล้วรู้ไหมคราวนี้ไม่รู้สึกตัวละยังไม่เลิกทํางานทางใจยังคิดไม่เลิกนี่รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้พอเข้าใจยังหน้าที่ของคุณต่อไปนี้ก็คือรู้สึกตัวบ่อยๆทำไงจะรู้สึกตัวได้บ่อยรู้ทันบ่อยๆแล้วมันก็รู้สึกตัวบ่อยๆ งั้นใจเราเผลอไปเรารู้ทันปุ๊บเราก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอใหม่เผลอใหม่รู้ใหม่เราก็รู้สึกตัวใหม่ความรู้สึกตัวเกิดครั้งละจุดเล็กๆนิดเดียวนะแต่ทําให้เกิดบ่อยๆคาอูลีกตาทําให้เกิดบ่อยไม่ได้ทําให้เกิดนานๆนะงั้นใครจะมาถามว่าทำไงจะรู้สึกตัวต่อเนื่องเนี่ยคาว่าต่อเนื่องนั่นแหละขัดกับคําว่าอนิจจังเราไม่ได้รู้ตัวต่อเนื่องนะแต่เราให้รู้สึกตัวทีลักษณะทีลักษณะแต่ทีๆเกิดบ่อยๆ ไม่แน่ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดดับวินาทีหนึ่งหลายครั้งใช่มห้าสิบกว่าครั้งแต่มันมันต่อกันมันรวดเร็วมันก็เลยเหมือนมันสว่างอยู่ตลอดสติก็เหมือนกันเกิดทีลักษณะทีลักษณะแต่เกิดทีขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนเรารู้สึกตัวทั้งวันเลยอย่างตอนเนี้ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมเออเห็นไหเนี่เรียกว่าหลงคิดที่อาจารย์มาบอกหลงไปเห็นไหมอันทีที่เราหลงไปเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกหรือยัง ทันทีที่เพ่งไว้มันจะนิ่งนิ่งทื่อทอไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาวันแรกคุณเรียนได้ขนาดนี้เยอะแล้วนะยากที่สุดเลยยากมากกว่าคนคนหนึ่งจะรู้สึกตัวขึ้นสักขณะเดียวเนี้แวบเดียวนีย้ยากที่สุดเลยหนีไปคิดแล้วรู้ไหมลืมตัวเองยังไม่เลิกไหนดูสิยังไม่เลิกเออนะให้มันรู้สึกไปอย่างเงี้ยรู้สึกไปเรื่อยเรืย เพราะว่าผู้สื่เงยตรวโปรเซสนี่วัน50บาพประมาณ50เทอดีมันจะให้แสงแสกต่อเนื่องเราดูว่ามันต่อได้หรืไม่เกิดครับต่อได้หรือไม่คที่พเราบอกว่าจิตไม่เคยเห็นอะไรที่ว่าอะไรแบจิตเออใช่ว่าจิตเนี่ยเป็สักราเทนะครับมันสามารถเกิดในขนาดสองอย่างต่อเนื่องนะสมมติว่าราเทอร์เนี่ย50เเนี่ยเราคือธรรมชาติสอ่เหรือ50เทอร์ต่อท่นึง อย่าคิดเยอะเงี้ยถ้า่างนั้นสแสดงว่ามีจิตหลายดวงแล้วนะมันไม่ใช่จิตดวงเดียวทําหน้าที่สองานมันจิตคนละดวงน่ะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับอีกดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันดับอย่างรวดเร็วมากเลยแต่ว่าเวลาเรียนนะอย่าเรียนด้วยวิธีนี้อย่าคิดเอานะดูของจริงคุณเคยสังเกตสิจิตของคุณอน่ะเดี๋ยวก็วิ่งมาดูเดี๋ยวก็วกิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดดูออกไหม นั่งฟังธรรมาพูดเดี๋ยวก็มองหน้าธรรมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ฟังนิดนึงเดี๋ยวก็ไปคิดรู้สึกไหมนี่ฮัตดูไปกี่เฮอร์เซอร์บอร์ซาบอ่ะนะหัตดูของจริงนะอย่าคิดเอาความคิดนี่แหละศัตรูเลยเมื่อไหรเรารู้เรื่องที่เราคิดเมื่อนั้นจะจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้และธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวไปรู้ความคิดซะแล้วก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ในคุณผู้ชายเนี่ยรู้จักใจลอยไหม ค่อยหัดรู้สึกไปนะเราไม่ได้ฝึกห้ามนะอตมาไม่เคยพูดนะว่าห้ามใจลอยไม่เคยพูดเลยไม่มีคำว่าห้ามนะมีแต่ให้รู้อย่างที่มันเป็นใจลอยไปรู้ว่ามันใจลอยอย่าดูถูกนะเรื่องใจลอยใครทํากรรมฐานแค่รู้ว่าใจลอยอย่างเดียวเนี่ยบรรลุทาได้นะไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกเผลอไปแล้วก็รู้ว่าเผลอเผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอฝึกอยู่เท่านี้พอแล้วนะ กรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งไม่ได้รับการเยอะอะไรเลยนะเนี่ยเต๋อไปคิดแล้วรู้ไหมเออเนะี่ยเวลารู้แล้วมันจะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมานะตอนเนี้ฝันอีกแล้วนะยากนะยากเงั้นต้องช่วยตัวเองด้วยการฟังเยอะๆหน่อยนะไม่ต้องมาฟังเองก็ได้เดี๋ยวเอาซีดีไปฟังนะแจกให้ฟรีแล้วต้องฟังนะฟังเยอะๆฟังแล้วฟังอีก ฟังเจอทั้งจิตตื่นขึ้นมานะมีคนฟังซีดีจิตตื่นขึ้นมาเยอะแล้วนะนี่คนทํานั่งอยู่นี่นยอามูทนาให้เ้าหน่อยเนี่ยสาธมสังเกตไหมพวกเราพอเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนใจเบาๆรู้สึกไหมเมื่อกี้หนักๆใช่ไหมปลกหลงพ่อหล่อให้เปลี่ยนความรู้สึกนี้ในึงใจก็เปลี่ยนนี่หัดรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตตัวเองไปเรื่อยๆจิต ข, ของเราจะเปลี่ยนทั้งวัน ตาเห็นรูปทีหนึ่งความรู้สึกก็เปล in ี่ยนหูได้ยินเสียงทีหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยนใจมันคิดทีหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยนให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ใช้ได้หรือจะรู้ว่าเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้การดูจิตมันดูได้สองแบบอันหน Or, má, لا, ึ enth, Whoa, uh, mm ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้สึกจะเปลี่ยนทั้งวันเลยอีกอานหนึ่งดูอาการของจิต เดี๋ยวจิตก็ไปเกิดทางตานี่จิตไปเกิดทางหูนี่จิตไปเกิดทางใจะดูอะไรก็ได้ดูตรเนี้ยบรรดาความรู้สึกทั้งหลายนีย่จริงๆแล้วไม่ได้ดูจิตหรอกดูเจตสิกแต่ดูเจตสิกก็ใช้ได้เมื่อกี้หนีไปคิดทราบไหมคนผู้หญิงที่ใส่แว่นอ่ะโอแว่นเยอะเลยนะสามคนเรียงกันเลยเดี๋ยวงงตูนเป็นไงตูนดีละใช้ได้ คุณแอลเป็นไงบังคับหรือเปล่ายังบังคับอยู่หรือเปล่าอึดอัดนิดๆไหมหรือสบายดูให้ดีนะยังไปตรึงความรู้สึกไว้หน่อยหนึ่งนะยังบังคับไปนิดๆแบบนี้อึดอัดขึ้นมาคุณศักเป็นไงคุณศัก ร, รู้สึกไปเรื่อยๆนะจันปูกลับมาไม้เกรงว่า พอไล่เข้ามาใกล้ทำไมมันเปล่งต้อนรับเมื่อกี้ตอนที่ไม้มาที่วัดอ่ะตอนนั้นอดีเป็นธรรมชาติเลยไม้รู้สึกไหมโยก็ไปเรื่อยๆนะไปบังคับมันไงนักถามไม่เอาอย่างเงี้เรียกหลงดูไหมว่ากำลังทำงานทางใจอยู่ฝึกดูจิตนั่นแหละกำลังหางานทำอยู่ เนี่ยเอาอีกแล้วคิดไม่เลิกอีกแล้วที่จริงนะจะบอกความลับใหันหนึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะงั้นเราไม่ต้องเอาละ่ะต่อไปนี้เราจะหัดดูจิตละไหนดูซิมันอยู่ตรงไหนที่ยไอ้อย่างนั้นไม่เรียกหัดดูจิตนะเรียกว่าหลงการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะจิตใจของเรามันแอบไปทำอะไรนะคอยรู้ทันมันไม่ต้องไปช่วยมันทา ของคุณไปช่วยมันทําแล้วรู้ไหม <can> ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปช่วยมันทําช่วยมันทําผิดนะเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจมันเคลื่อนไหวมันไปทํางานอะไรเราก็ค่อยรู้ไปไม่ใช่ไปช่วยมันทำํำ mm hmm. เพราะฉะนั้นอการที่บอกว่าเราพยายามจะรู้สึกตัวเนี่ยคือการช่วยมันทําละหางานทํา เมื่อไหรหางานทําเนี่ยความทุกข์มันจะเกิดก็การทํางานทางใจเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าพบพอสาเพารพอผ่านเกิดได้ยินไหมสร้างพบสร้างชาติพบน่ะก็คือการทํางานทางใจ น, นั่นเองใจเราแอบทํางานทั้งวันพระอรหันต์สิ้นพบไม่มีพบแล้วพระอรหันต์ไม่ทํางานทางใจแล้วจิตใจมันทํางานของมันเองเป็นกิริยาล้วนๆเลยมันทําของมันเองแต่เราไม่ทําละ แั้นเ่ให้คอยสังเกตใจของเราชอบแอ บ, บไปทางานชอบแอ บ, บทํากรรมฐานเนะี่ยเรายิ่งห่างไกลทํำมากไปเรื่อยๆให้คอยรู้ทันเนี่ยเรียกว่าเราเดินอยู่ในร่องรอยของการปฏิบัติที่ถูกต้องตอนนี้หนีไปทําอะไรทราบไหมเมื่อกี้นี้มันคิดแต่ยังไม่รู้ว่าคิดอะไรนึกออกไหมอ่เนี่ยมันสตาร์ท ต, ตรงนั้นนะแล้วปเดี๋ยวค่อยคิดเป็นเรื่อง มันมันสตา์ตตรงที่มันมันอยากอยากคิดแล้วมันเริ่มกระโจนเข้าไปแต่ความคิดเป็นเรื่องเรื่องมันยังไม่โผล่นะถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันไม่ปรุงเลยนะจะว่างสบายเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมมันไปหางานทาพอจะดูออกไหมมันไปทำงานได้ด้วยตัวมันเองนะเราไม่ต้องช่วยมันทำนะมันยังไปทำได้เองเลย พอรู้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรต่อนะรู้แล้วจบแค่รู้ไม่ใช่รู้แล้วดึงเอาไว้ไม่ดึงแม่ตมาบอกว่าให้รู้ลูกเดียวนะแต่โยมจะค่คอยคิดเติมหัวบ้างเติมท้ายบ้างรู้สึกไหมเติมหัวเช่นเว้ยทำไงเราจะรู้ได้หาทางปรกครองหาทางค้นหาเติม ท, ท้ายก็คือพอรู้ว่าหลงไปแล้วเว้ยทาไงจะไม่หลงอีกหาทางทำอีกแหละแค่รู้ลูกเดียว รู้ลูกเดียวรู้อย่างที่เขาเป็นเมื่อกี้ใจลอยหนีไปรู้ไหมถูกต้องแล้วแวบเดียวเนี้ยเกิดเรียบร้อยแล้วนะเวลาตายเนี้ยแวบนี้แหละนะเออเกิดเลยดีแล้วนะเรียนวันแรกคุณเรียนได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาคนไหนคิดมากคิดมากยากนานไม่มีวันรู้เรื่องเลยเพราะว่าอะไรไม่รู้เรื่องที่ไม่รู้เรื่องเพราะไม่เคยเห็นของจริงในใจตัวเอง เพราะงั้นอยามานั่งคิดมากนะฟังแล้วสงสัยอาจจะมาพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยสงสัยสงสัยรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เท่านี้เองรู้เรียบร้อยแล้วเงันฟังอาจจะมาพูดนะสงสัยรู้ว่าสงสัยอยู่บ้านนอนกลางคืนหมาข้างบ้านมันเห่าไม่เลิกโมโหโมโหรู้ว่าโมโหไม่ใช่รู้ว่าหมาเห่านะโมโหรู้ว่าโมโหออกออกจากศาลาไปได้กลิ่นดอกไม้หอม รู้ว่าใจเราชอบหรือใจเราสงสัยว่าดอกไม้อะไรนะหอมดีไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมนะไม่ใช่รู้ว่าดอกกัหลาบดอกพุดนะอย่างนั้นมันรู้อย่างโลกโลกงั้นตามองเห็นเนี่ยให้รู้ทันความรู้สึกของเราหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นใจเราคิดคอยรู้ความรู้สึกของเรามีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งมาเรียนแล้วบอกว่าอ้อาอาีเข้าใจแล้วการปฏิบัติ ถ้าอไอเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมนี่เรียกว่าปฏิบัติโอ้อย่างนั้นไม่ต้องก็ได้นะใครๆเขาก็รู้เห็นไหมถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากเอากลับบ้านนี่รู้ว่าอยากเอากลับบ้านนี่เรียกว่าปฏิบัตินะได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าใจชอบไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมหรือเห็นคนก็ทํามือถือตกอยู่นะไม่ใช่รู้ว่ามือถือนะอรู้ว่ามือถือนะใครๆก็รู้ เรารู้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเฮยมันอยากได้ของเขาเนี่ยรู้ว่าอยากได้เพรานั้น <c oughs> จริงๆแล้วกรรมาฐานเนี่ยเราฝึกอยู่ในชีวิตของเรากรรมาฐานจริงๆไม่ได้ฝึกตอนไปเข้าคอร์สนะกรรมาฐานจริงๆเราฝึกเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อใจเราคิดฝึกอยู่เนี่ยทุกขณะในชีวิตของเราเท่าเท่าที่ทําได้บางครั้งสติก็เกิดบางครั้งอกุศลก็เกิดอึเพลอไป เสือไปเป็นโมหะนะจิตฟุ้งซ่านเนะี่ยฟุ้งซ่านอยู่ทราบไหมมันหนีวิคิดเนี่ยเนี่ยคิดว่ายินดีแล้วเห็นไหมมันหลงไปคิดนะเมื่อไหร่หลงไปคิดก็เรียกว่ามีอุทธัจจจิตฟุ้งซ่านนะเนี่ยกิเลสนะกิเลสพอละเอียดเข้าหน้าตาเหมือนกุศลอย่างมันไปคิดธรรมะเรารู้สึกว่าดีแท้ก็คือจิตที่ฟุ้งซ่าน น, นั่นเองหรือบางคนฟังธรรมะแล้วมีความสุข เพลินเลยนะนี่เรียกว่านันทิราคะความเผลอเพลินกิเลสนะงั้นกิเลสเนี่ยละเอียดขึ้นมาแล้วหน้าตามันดีดีหน้าตาเหมือนกุศลเลยเผลอแล้วรู้ไหมคุณที่มีจุกสองอันเนี้ยดีนะฟังรู้เรื่องแล้วก็ดีแล้วนีไปคิดแล้วทราบไหมดีแลดีแลที่รู้เรื่องยากนะยาก ไงคุณเสื้อเขียวอ่ะเราหันไปดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมตอนที่เราไปดูเขาเราจะลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจของตัวเองของคุณผู้ชายเสื้อเขียวก็ลืมตัวเองแล้วทราบไหมนะหัดรู้สึกแป๊นะเราจะได้รู้กายรู้ใจหน้าที่ของเราก็คือรู้สึกตัวบ่อยๆเราจะได้รู้กายรู้ใจบ่อยๆเมื่อรู้กายรู้ใจได้บ่อยๆในที่สุดปัญญามันเกิด ปัญญาก็คือการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนี้เองสติก็คือการที่เราสามารถาระลึกรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจนะรูปนามอะไรปรากฏขึ้นมาสติเป็นตัวระลึกได้นะสมาธิก็คือในขณะที่สติไประลึกเนี่ยจิตใจก็ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่เผลอไปนะรู้กายรู้ใจอยู่ จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายกับใจเขาเรียกสัมมาสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็คือการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเห็นไหมตัวในองค์มรรคทั้งแปดเนี่ยนะเป็นเรื่องการรู้กาย ร, รู้ใจทั้งหมดเลยะปัญญาก็คือเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความเป็นจริงของกายของใจคือไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเรานะนี่ความจริงของเขานีไปคิดเอาใช้ไม่ได้นะทาไมชาวกาแพงแสนเยอะนะัะวันนี้ เห็นท่านท่านบอกว่าสิบกว่าคนอ๋อหัดรู้นะหัดรู้เมื่อกี้เผลอรู้สึกไหมตรงที่ยกมือเราลืมตัวเราเองนะเนี่ยคุณผู้ชายที่นั่งถัดไปอ่ะนะพอเราไปดูเขาเราก็ลืมตัวเราเองหัดรู้สึกนะตัวนี้สำคัญที่สุดนะ ถ้ารู้สึกตัวไม่ได้มีสติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เด็ดขาดเลยเครื่องมือที่เราใช้ปฏิบัติก็สตินั่นเองเนี่ยเผลอไปคิดแล้วใช่ไหมไปพยักหน้าเมื่อกี้นี้พยักหน้าแล้วใจลอยอะไรนะเข้าใจไงแต่แต่ขณะที่เข้าใจแล้วพยักหน้านะตรงนั้นลืมตัวเองไปแล้ววันหนึ่งแวบนะเนี่ยเห็นไหมลืมตัวเองอีกแล้นีไปคิดละ รู้สึกไหมค่อยค่อยหัดไปนะดีละวเก่งใช้ได้เมื่อกี้ดีใจแล้วตอนนี้ใจมันนิ่งนิ่งดูออกไหมเห็นไหมมันดีใจขึ้นมาพอเรารู้ทันแล้วมันก็นิ่งนิ่งขึ้นมานะเห็นไหมเขาแสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะเพราะนี่ค่อยรู้ความรู้สึกไปเรื่อยแต่ระวังอันนึ่งนะกาลังทําผิดอย่างที่สองละเริ่มไปเพ่งจ้องแนละ้วอย่าไปจ้องใส่มันนะนึกได้ไหมว่าพอจะดูออกไหมว่าไปจ้องใส่มัน อะไรนะเออนะค่อยๆหัดไปหัดรู้สึกไปเนี่ยต้อรู้สึกตัวตรู้สึกไง่ง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยส่วนที่ถล่มลงไปจ้องแนละ้วอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ให้ชัดเลยจ้องจ้องจ้องเลยลืมตัวเองไปเลยนะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เผลอสุดโต่ไปข้างจ้องแล้วข้างบังคับอย่างตอนนี้เผลอไปคิดทราบไหมเออนิดเดียวมันเกิดแล้วนะนิดเดียวเนี่ยไปเกิดเรียบร้อยแล้ว เวลาตายเนี่ยแวบเดียวนี่แหละพาไปเกิดอะไรนะไอ้ตรงที่มันไปนะั่นนะมันขาดสติไปช่วงหนึ่งแล้วแอบไปทํางานเรียบร้อยละแล้วสติตัวใหม่ก็ระลึกขึ้นมาอย่างนี้ถูกต้องใช่ใช่ก็รู้ระ ล, ลึกขึ้นมาเป็นขณะขณะนะพอระลึกขึ้นมาได้แล้วมันก็ดับไปแล้วก็ระลึกขึ้นมาใหม่มันก็ดับไปอีกอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหม เนี่ยตอนเนี้ยจิตไปทําอะไรทราบไหมใช่ทําผิดแล้วมีโลภะเกิดขึ้นอยากปฏิบัติก็เลยส่งใจไปดูเห็นไหมทำตามที่โลภะสั่งทําตามที่ตัณหาสั่งการที่เราส่งใจไปดูเฮ้ยว่าสร้างพบมีตัณหาคืออยากปฏิบัติแล้วก็ส่งใจไปดูตรงนี้หลงเรียบร้อยแล้วนะให้คอยรู้ทันไป ถ้าฝึกไปสักช่วงหนึ่งแล้วจะรู้สึกหน้าตกใจอะไรนะรู้แล้วเป็นไงเนี่คอยรู้บ่อยๆนะให้รู้เมืองก่อนต่อไปเดี๋ยวค่อยเกิดปัญญาขึ้นมาต้องรู้บ่อยๆนะรู้ทีๆคือขนาดที่รู้สึกตัวรู้สึกไหมเราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วตัวที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บ เราจะไม่เป็หลงอยู่ในความคิดขณะที่เราไม่เป็หลงอยู่ในความคิดเนี่ยกายนี้ใจนี้จะไม่ใช่ตัวเราเพราะความเป็นตัวเราเนนี้เกิดจากความคิดนะเพราะงั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวเราเลิกคิดถ้าสติระรึกรู้กายจะเห็นทันทีเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามันเกิดไประลึกรู้จิตเข้ามันจะเห็นทันทีว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดล้วนๆเลยเนี่ยเมื่อกี้ใจเกิดอะไรขึ้น นึกออกไหมเมืแ่อบบกี้เนี่ยฟังแล้วมันลืมเนี่ยขนาดนี้ยลืมตัวเองอีกแล้วรู้ไม <c oughs> จงใจหยุดนะ่ะรู้ไหมจงใจหยุดนะับผิดเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ได้ให้ทําอะไรสักอย่างเดียวนะจงใจหยุดก็ผิดแล้วนะ <c oughs> ให้รู้บ่อยๆ ออรู้บ่อยๆนะยิ่งบ่อยยิ่งดีเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นของเร็วที่สุดเลยเลอแวบหนึงน่งหนีไปแล้วนะแต่เราการที่เรารู้ก็ไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้หนีนะ <c oughs> ของเราฝึกนิดเดียวหนีไปเรารีบรู้ให้ไหวๆไม่ได้ฝึกไม่ให้หนีคือเนี่ย จริตของการปฏิบัติเนี่ยมี2อันของมิปัสสนานี่คุณเคยได้ยินราคะจริตโทสะจริตโมหจริตใช่ไหมหกอันนั้นอ่ะพุทธิวิตกศัทธาเนี่ยหอันนี้เอาไว้เลือกอารมณ์ทําสมถะส่วนจริตของการทํามิปัสสนามี2จริตนี่ว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตอันนี้ไม่ค่อยได้ยินกันนะตัณหาจริตคือคนที่มีปกติเนี่ยรักสวยรักงามรักสุขรักสบายรักความสงบทิฏฐิจริตเนี่ยมีปกติชอบคิด มีภาควิจารณ์ชอบคิดชอบนึกชอบให้ค่าชอบตัดสินคนอื่นแะเจ้ารัดที่เจ้าอุดมการณนี้จริตมีสองจริตนะนี้สองจริตนี้เราก็จะเลือกอารมณ์ของวิปัสสนาต่างกันนะพวกที่รักสวยรักงามรักสุขรักสบายหรือสัณหาจริตเนี่ยฉันบอกให้รู้กายและเวทนาอันใดหนึ่งกายเนี่อรู้ง่ายเพราะเป็นของที่ตื้นๆหน่อยเวทนาต้องใช้สติปัญญามากรู้ยากขึ้นไปหน่อย พราะงั้นถ้าคนไหนปัญญาแก่กล้าเนี่ยท่านก็ให้รู้เวทนาถ้าคนไหนสติปัญญายัางไม่แก่กล้าก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปจะคู่จะเหยียดจะเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆอันนี้พวกหนึ่งนะคือพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยให้รู้กายและเวทนาพวกคิดมากเนี่ยให้ดูจิตก็ดูธรรมจิตและธรรมเป็นของพวกพวกคิดมากถ้าพวกคิดมากทั่วๆไปก็ดูจิตเอา มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะเดี๋ยวก็จะเห็นนะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอมีอะไรไม่มากนะแต่ถ้าพวกปัญญามากก็เจริญธรรมานุปัสสนา จ, จกระจายขันออกไปเยอะแยะเลยทั้งธาตุทั้งขันทั้งอายตนะเยอะแยะ น, ะนี่สําหรับคนที่ปัญญากล้านะงั้นปัญญากล้าเนี่ยถ้าเป็นตัณหาจริตก็ไปดูเวทนานะถ้าเป็นทิฏฐิจริตก็ไปดูธรรมานุปัสสนาถ้าปัญญาไม่กล้าพื้นๆอย่างพวกเราส่วนมากเนี่ย ถ้าเป็นตัณหาจริตดูกายถ้าทิฏฐิจริตดูจิตนี่มีเงื่อนไขบอกว่าคนที่จะดูกายและเวทนาได้ดีเนี่ยต้องทําสมาธนะิตรงนี้ที่เจกอัปปนาจะเข้ามาเกี่ยวนะถ้าไม่ทําสมาธิเนี่ยจะรู้กายและเวทนาได้ไม่ดีนะแต่สําหรับคนที่ดูจิตหรือดูธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะฉันบอกว่าเหมาะ ก, กับวิปัสสนาอย่างนี้ดูเข้าไปเลยนะแล้วสมาธิเกิดเองทีหลัง ใช้ใชคณิกะอะไรนะใช้คนิกะสมาธิอัปนาสมาธินี่จะไม่่เปประโยชน์เท่าไหร่คืออัปนาอัปนานี่เป็นที่นอนพักที่พักพ่อนที่รวมกําลังถามว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่ใช่อัปนาสมาธิน่ะจำเป็นเลยล่ะสําหรับพวกสัณหาจริตพวกที่จะรู้กายนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าสังเกตให้ดีครูบาอาจารย์วัดป่าจะทําสมาธิก่อนแล้วก็มารู้กายนะเพราะฉะนั้นตรงกับอภิธรรมเทียบเลย แต่ถ้าดูจิตเราเนี่ยเราทำสมาธินิดหน่อยก็พอพอให้จิตใจแช่มชื่นแต่และ ว, วันนะไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทำสมาธิอะไรนิดหน่อยเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยคอยรู้จิตใจของตัวเองไปเพราะงั้นถ้าเราเราเป็นพวกปัญหาจริตของคุณไม่ใช่ปัญหาจริตของคุณพวกคิดมากของคุณต้องดูจิตไม่เกี่ยวกับอับปนานะดูไปเรื่อยๆแล้ว เ, เราวัดตัวเองก่อนนะวิเคราะห์ตัวเอง เราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือว่าเป็นพวกชอบคิดมากอะไรเด่นกว่ากันถ้ารักสุขรักสบายนะท่านแรกเลยทําใจให้สงบก่อนนะหายใจเข้าหายใจออกหรือพุทโธพุทโธอะไรก็ได้ทําเล่นเล่นเคล็ดลับของการทําสมถะอยู่ที่ว่าต้องทําอย่างมีความสุขนะเพราะว่าความสุขนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสมาธนะิอย่างบางคนมีความสุขที่จะอ่านหนังสือก็จะมีความ ก็มีสมาธิในการอ่านหนังสือมีความสุขในการเล่นไพ่มีสมาธิในการเล่นไพ่ตารวจมาไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยทําให้จิตมีสมาธิเราะนั้นต่อไปนี้ถ้าเราจะต้องการทําความสงบจิตใจนะสําหรับคนที่รักสวยรักงามรักสุขรักสบายจะทําความสงบเนี่ยเลือกดูอารมณ์อะไรที่เรารู้แล้วสบายใจเราก็รู้อันนั้นแหละบางคนรู้พุโทโธแล้วสบายใจก็รู้พุโทโธไป รู้เล่นๆไม่ใช่รู้เพื่อบังคับให้ใจสงบถ้าบังคับมันจิตใจจะไม่มีความสุขถ้ามันไม่มีความสุขมันจะไม่สงบหลวงพ่อพุธรู้จักไหมหลวงพ่อพุธหลวงพพุธบอกไปว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจถ้ายังตั้งใจยังอยากสงบอยู่ไม่สงบท่านบอกวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดไม่คิดเอารู้สึกเอาต้องรู้สึกเอา ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเมื่อกี้พยักหน้านึกออกไหมเมื่อกี้พยักหน้าเนี่ยแค่นี้ตื่นแล้วนึกออกไหมรู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าตอนนี้ตื่นะมันคือการตามรู้กายกายเคลื่อนไหวไปแล้วก็ตามรู้ว่าเมื่อกี้มันเคลื่อนไหวเราจะตื่นเราจะมีสติขึ้นมานี่เรียกว่าการตามรู้กายหรือกา ย, ยานุปัสสนานห น, นึ่งการตามรู้จิตก็คือมันโลบโลดหลงไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโลบโกรธหลงก็จะตื่นขึ้นมาเป็นตามรู้จิต ตามรู้เวทนามันมีเวทนาขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้เอาเป็นการตามรู้นี่เป็นขั้นทําให้เกิดความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วต่อไปนี้จะเจริญนิพพสนาจริงๆแล้วเวลารู้กายรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่ใช่ตามรู้กายแล้วนะแต่รู้กายในปัจจุบันเลยเห็นเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่มันกระดุกกระดิกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่มันนั่งอยู่มันยืนมันเดินนะมันเป็นรูปธรรมอันหนึ่งที่ใจไปรู้เข้า ลืมตัวเองแล้วเมื่อกี้ทํามืออย่างนี้รู้ไหมเนี่ยแล้วมันจะตื่นขึ้นมาแค่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอตอนนี้จะตื่นนะเผลอสร้งใหม่แล้วทราบไหมต้องไม่ทันต้องไม่ทันนะเพราะว่าต้องเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอนะไม่ใช่เผลอไปรู้ไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะเผลอไปหนะักกุศลมีสติเป็นกุศลเกิดพร้อมกันไม่ได้งั้นเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอ โลภไปก่อนล้วรู้ว่าโลภนะพยักหน้าแล้วทราบไหมเมื่อกี้พยักหน้าคราวนี้ไม่ยอมตื่นรู้สึกไหมใจเกาะคืบๆอยู่ข้างในหน่อยหนึ่งดูออกไหมนะให้รู้ทันนะจิตไม่หลุดออกมาจิตไม่ตื่นอย่าพยายามทำให้ตื่นนะถ้าพยายามนิดเดียวไม่ตื่นเลยบางคนพยายามมากๆหลายปีไม่ยอมตื่นเลยเอ้ามโยมทั้งหลาย ให้อีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวเราคุยกับพระหน่อยดังนิดถ่ะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงระลึกนั้นอะไรนะใช่ใช่ตามระลึกนั่นเองใช่ใช่ใช่คือสติสติเออไม่ใช่สมนึก กำหนดเนี่ยเบื้องหลังการกำหนดเนี่ยคือความจงใจจะปฏิบัตนะิเพราะงั้นกำหนดเนี่ยในพระไตรปิฎกนะสติแปลว่าความระลึกได้รุอนหลังๆเรามาแปลสติว่ากำหนดรู้กำหนดเนี่ยเบื้องหลังการกำหนดนะคืออยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติแล้วก็เร่จงใจเอาสติเราเข้าไปจับอารมณ์ไหมไปดักดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นไปดักดูนะกำหนดนะมันไปดักเอาไว้ไม่ถูก มันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าสอนถามว่าสติในพระพิธรรมคืออะไรสติมีลักษณะอย่างไรในอภิธรรมเนี่ยสอนสติเนี่ยมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะรู้จักใจลอยไหมนั่นะใจลอยไปนั่นแหละขาดสติละสติอะทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่ระลึกรูร้รูปนามหรือกายใจของเราที่กำลังปรากฏขึ้นมา เมื่อสติะระลึกรู้แล้วมีผลเป็นยังไงมีผลเป็นอารักขาหมายถึงสติเนี่ยจะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตไม่ให้ตกไปสู่อารมณ์ที่ชั่วอคูสนจะเกิดไม่ได้เลยในทันทีที่มีสติแล้วสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากการที่จิตเนี่ยจำสภาวะธรรมได้แม่นยำงั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะเรื่อยๆหัดรู้กายหัดรู้ใจหัดรู้ไปความรู้สึกนาน า, นาชนิดเกิดขึ้นคอยหัดรู้ไป นะต่อไปจิตมันจําความรู้สึกแต่ละอย่างได้พอความรู้สึกที่มันจําได้แล้วเกิดขึ้นนะสติจะเกิดขึ้นเองเช่นมันเผลอไปอย่างมหั่ที่เนี่หลวงพ่อชอบไล่ตอนเผลอนะใจลอยไปแล้วรู้ไหมต่อไปเวลากลับบ้านพอเราใจลอยนะสติจะเกิดขึ้นเองเอ้าวใจลอยไปละสติทําหน้าที่แค่นี้เองแค่รู้ทันนะความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นสติระลึกปุ๊บจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวเลยสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเลย นะเสร็จแล้วเราจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้นี่ใจลอยนะไม่ได้เจตนาเลยมันใจลอยเขอามันเองตรงที่รู้ทันว่าใจลอยอนี่ก็ไม่ได้เจตนาจะรู้ทันมันรู้ทันทั้งมันเองนะไอ้ความใจลอยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความรู้สึกตัวเกิดขึ้นในแว๊บเดียวก็ดับไปอีกแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นต่อยแล้วเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล น, นะไม่เที่ยงนะเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานี่ปัญญาอยู่ตรงนี้นะ เพรฉนั้นตามรู้ไม่ใช่ดักรู้กําหนดเนี่ยคือดักรู้นะอัตถะถามหาสติปัฏฐานสอนไม่ชัดๆเลยบอกว่าสติอันกําหนดในกำหนดนะสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกข์สังเกตไหมกําหนดแล้วทุกข์ตนะัณหาคือการอยากปฏิบัติเนี่ยตัณหาที่อยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามเนี่ยคือตัวสมุขไถนะ่คือเหตุให้เกิดทุกข์อยากปฏิบัติใช่ไหมอยากปฏิบัติก็เลยเอาสติไปกําหนด ความทุกข์มันก็เลยเกิดขึ้นมาท่านไม่ได้สอนให้ทําอย่างนี้แต่เรารุนหลังๆชอบทําแบบนี้อยากปฏิบัติก็เลยกําหนดกันใหญ่เลยแต่สติจริงๆคือความระลึกได้มราระลึกได้เพราะมันเคยรู้จักอย่างเราจะระลึกได้ว่าคนนี้มาเราต้องรู้จักเขาก่อนเราจะระลึกได้ว่าความโกรธมาแล้วเราต้องรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงระลึกได้ว่าเผลอมาแล้วต้องรู้จักว่าเผลอเป็นงไงงั้นหน้าที่นะค่อยหัดทําความรู้จักความรู้สึกนาน า, นานชนิดในใจของเราหัดรู้สึกไป ต่อไปเราจะจําสภาวะธรรมได้เยอะเลยพอะเราจําได้มากเนี่สติก็มีโอกาสจะเกิดบ่อยๆสมมตถ้าเราจําได้อย่างเดียวต้องเผลอแล้วถึงจะรู้สึกนะมันก็เกิดได้น้อยหน่อยถ้ารู้จักความรู้สึกทุกชนิดเลยเกิดได้ทียิบเลย